พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุไม่พึงกําหนดทิฏฐิในโลกด้วยญาณหรือแม้ด้วยศีลวัดไม่พึงเอาตนเข้าไปเทียบว่าเสมอเขาไม่พึงสําคัญตนว่าด้อยกว่าเขาหรือแม้เลิกกว่าเขาว่าด้วยภิกษุไม่พึงมีทิฏฐิมานะคําว่าไม่พึงกําหนดทิฏฐิในโลกด้วยญาณหรือแม้ด้วยศีลวัรอธิบายว่า ไม่พึงกําหนดคือไม่พึงให้เกิดไม่พึงให้เกิดขึ้นไม่พึงให้บังเกิดไม่พึงให้บังเกิดขึ้นซึ่งทิฏฐิด้วยยาในสมาบัติแปดยาในอภินญาห้ามิชัายานศีลวัดหรือทั้งศีลและวัดคําว่าในโลกได้แก่ในอบัยโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกรวมความว่า ไม่พึงกําหนดทิฐิในโลกด้วยญาณหรือแม้ด้วยศิลวัตรคาว่าไม่พึงเอาตนเข้าไปเทียบว่าเสมอเขาอธิบายว่าไม่พึงเอาตนเข้าไปเทียบว่าเราเป็นเช่นเดียวกับเขาด้วยชาติโคตความเป็นบุตรของตระกูลความเป็นผู้มีรูปงามทรัพย์การศึกษาหน้าที่การงานหลัแห่งศิลปะวิทยาวิทยฐานะความคงแก่เรียน <mister ius> ปฏ wow. <tit le pattern> <Gerade> <es> ิพานหรือ <t> ส <ua> ิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วรวมความว่าไม่พึงเอาตนเข้าไปเทียบว่าเสมอเขาคําว่าไม่พึงสาคัญตนว่าด้วยกว่าเขาหรือแม่เลือกกว่าเขาอธิบายว่าไม่พึงเอาตนเข้าไปเทียบว่าเราด้อยกว่าเขาด้วยชาติโคษหรือสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วไม่พึงเอาตนเข้าไปเทียบว่าเราเลอกกว่าเขาด้วยชาติโคต หรือสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วรวมความว่าไม่พึงสำคัญตนว่าด้อยกว่าเขาหรือแม่เลิกกว่าเขาเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุไม่พึงกําหนดทิฏฐิในโลกด้วยญาณหรือแม้ด้วยศิลวัดไม่พึงเอาตนเข้าไปเทียบว่าเสมอเขาไม่พึงสาคัญตนว่าด้อยกว่าเขาหรือแม่เลิกกว่าเขา สาห้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสษุนั้นละตนแล้วไม่ยึดถือไม่จ้างนิสัยแม้ด้วยญาณแม้ชนทั้งหลายแตกกันพิสษุนั้นก็ไม่เข้าเป็นฝักเป็นฝ่ายภิสษุนั้นไม่ถือแม้ทิฏฐิอะไรอะไรคําว่าละตนแล้วในคําว่าละตนแล้วไม่ยึดถือได้แก่และความเห็นว่าเป็นตน อีกในหนึ่งคำว่าละตนแล้วได้แก่ละความถืออีกในหนึ่งคำว่าละตนแล้วได้แก่ละคือละเว้นบรรเทาทาให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความถือความยึดมั่นความถือมั่นความติดใจความน้อมใจเชื่อด้วยอํานาจตันหาด้วยอนานาจทิฏฐิชื่อว่าละตนแล้ว คำว่าไม่ยึดถือได้แก่ไม่ยึดถือคือไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นด้วยอุปทานสีรวมความว่าละตนแล้วไม่ยึดถือคำว่าพิสูจนั้นไม่สร้างนิสัยด้วยยานอธิบายว่าไม่สร้างคือไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นไม่บังเกิดไม่ให้บังเกิดขึ้นซึ่งนิสัยด้วยอำนาจตันหาหรือนิสัยด้วยอำนาจทิฏฐิ ด้วยยานในสมาบัติแปดด้วยยานในอภิน ญ, ญาห้าหรือด้วยมิจฉายารวมความว่าพิกสุนั้นไม่สร้างนิสัยแม้ด้วยยาคำว่าเมื่อชนทั้งหลายแตกกันพิกสุนั้นก็ไม่เข้าเป็นฝักเป็นฝ่ายอธิบายว่าเมื่อชนทั้งหลายแตกกันเคยแยกกันถึงความเป็นสองฝ่ายกลายเป็นคนสองพวกมีความเห็นต่างกันมีความพอใจต่างกัน มี ios, ความชอบใจต่างกันมีลทัทีิต่างกันอาศัยนิสใยด้วยอำนาจทิฏฐิต่างกันถึงฉันท า, ต π, ท า, ตาตคติลำเอียงเพราะชอบถึงโทสาคติลำเอียงเพราะชังถึงโมหาคติลำเอียงเพราะหลงถึงพยาคติลำเอียงเพราะกลัวภิกษุนั้นก็ไม่ถึงฉันทาคติไม่ถึงโทสาคติไม่ถึงโมหคติไม่ถึงพยาคติคือไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจราคะ ไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจโทสะไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจโมหะไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจมานะไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจทิฐิไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจอุทจฉาไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจวิจิกิจฉาไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจอนุัยได้แก่ไม่ไปคือไม่ออกไปไม่ถูกพาไปไม่ถูกนำไปด้วยธรรมที่ก่อความเป็นฝักเป็นฝายรวมความว่า เมื่อชนทั้งหลายแตกกันพิกษุนั้นก็ไม่เข้าเป็นฝักเป็นฝ่ายคำว่าพิกษุนั้นไม่ถือแม้ทิฏฐิอะไรอะไรอธิบายว่าทิฏฐิทั้งหกสิบสองินั้นละได้แล้วคือตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วพิกษุนนั้นจึงไม่ถือคือไม่หวนกลับมาหาทิฏฐิอะไรอะไรอีก รวมความว่าภิกษุนั้นไม่ถือแม้ทิฏฐิอะไระไรด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุนั้นละตนแล้วไม่ยึดถือไม่สร้างนิสัยแม้ด้วยญาณเมื่อชนทั้งหลายแตกกันภิกษุนั้นก็ไม่เข้าเป็นฝักเป็นฝ่ายภิกษุนั้นไม่ถือแม้ทิฏฐิอะไรอะไร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 ไม่มีความคนืงหาในส่วนสุดทั้งสองด้านในโลกนี้ในพบน้อยพบใหญ่ในโลกนี้หรือในโลกหน้าได้แก่พระอระหันตขีนาศคำว่าส่วนสุดอธิบายว่าพัสสะเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งเหตุเกิดแห่งพัสสะเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งอดีตเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งอนาคตเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งสุขเวทนาเป็นส่วนสุดด้านหนึ่ง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 อภิชาอกุศลมูลคือโลภะคำว่าในภพน้อยภพใหญ่อธิบายว่าในภพน้อยภพใหญ่คือในกรรมวัตและวิปากวตรในกรรมวัตรเป็นเครื่องเกิดในกรรมภพในวิปากวัตรเป็นเครื่องเกิดในกรรมภพในกรรมวัตเป็นเครื่องเกิดในรูปภพในวิปากวัตรเป็นเครื่องเกิดในรูปภพในกรรมวัตเป็นเครื่องเกิดในอรูปภพ ในวิปากวัฏเป็นเครื่องเกิดในรูปภพในภพต่อไปเนืคติต่อไปในการถือําเ น, น, นิ่ต่อไปในปฏิสนธิต่อไปในความบังเกิดแห่งอัตภาพต่อไปคำว่าโลกนี้ได้แก่อัตภาพของตนคำว่าโลกหน้าได้แก่อัตภาพของผู้อื่นอีกในหนึ่งคำว่าโลกนี้ได้แก่ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตนคำว่าโลกหน้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของผู้อื่นอีกในหนึ่งคำว่าโลกนี้ได้แก่อายตนะภายในหกคำว่าโลกหน้าได้แก่อายตนะภายนอกหกคำว่าโลกนี้ได้แก่มนุษย์โลกคำว่าโลกหน้าได้แก่เทวโลก คำว่าโลกนี้ได้แก่กามธาตุคำว่าโลกหน้าได้แก่รูปธาตุอรูปธาตุคำว่าโลกนี้ได้แก่กามธาตุรูปธาตุคำว่าโลกหน้าได้แก่อรูปธาตุคำว่าพระอรหันต์ใดผู้ไม่มีความคเนืงหาในส่วนสุดทั้งสองด้านในโลกนี้ในพบน้อยพบใหญ่ในโลกนี้หรือในโลกหน้าอธิบายว่า พระอรหันต์ใดย่อมไม่มีคือไม่ปรากฏหาไม่ได้ซึ่งตัณหาเป็นที่คหนึ่งหาในส่วนสุดทั้งสองด้านในพบน้อยพบใหญ่ในโลกนี้หรือในโลกหน้าคือตัณหาพระอรหันต์ใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระงรับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วรวมความว่า พระอรหันต์ใดผู้ไม่มีความคเนืองหาในส่วนสุดทั้งสองด้านในโลกนี้ในพบน้อยพบใหญ่ในโลกนี้หรือในโลกหน้าคําว่าเครื่องอยู่ในคําว่าพระอรหันต์นั้นจึงไม่มีเครื่องอยู่อะไรอะไรได้แก่เครื่องอยู่สองอย่างคือหนึ่งเครื่องอยู่ด้วยอํานาจตันหาสองเครื่องอยู่ด้วยอํานาจทิฏฐินี้ชื่อว่าเครื่องอยู่ด้วยอํานาจตันหา น้ชื่อว่าเครื่องอยู่ด้วยอำนาจทิฐิคําว่านั้นได้แก่พระอรหันตขีนาศคําว่าพระอรหันนั้นจึงไม่มีเครื่องอยู่อะไรอะไรอธิบายว่าพระอรหันนั้นไม่มีคือย่อมไม่มีไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้ซึ่งเครื่องอยู่อะไรอะไรได้แก่เครื่องอยู่อะไรอะไรพระอรหันนั้นละได้แล้วตักขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้ว ระ ง, งับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วรวมความว่าพระอรหันต์นั้นจึงไม่มีเครื่องอยู่อะไรอะไรคําว่าในธรรมทั้งหลายในคําว่าความตกลงใจในธรรมทั้งหลายแล้วถือมั่นได้แก่ในทิฏฐิหกสิบสองคำว่าตกลงใจแล้วได้แก่ตกลงใจแล้วเพื่อวินิจฉัยแล้วตัดสินแล้ว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 ไม่วิปริตไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้แก่พระอรหันนั้นได้แก่ความตกลงใจแล้วถือมั่นนั้นพระอรหันนั้นละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วรวมความว่าความตกลงใจในธรรมทั้งหลายแล้วถือมั่นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า พระอาหารหันต์ใดผู้ไม่มีความคเนึงหาในส่วนสุดทั้งสองด้านในโลกนี้ในพบน้อยพบใหญ่ในโลกนี้หรือในโลกหน้าพระอาหารหันต์นั้นจึงไม่มีเครื่องอยู่อะไรอะไรความตกลงใจในธรรมทั้งหลายแล้วถือมั่นก็ไม่มี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 พระอรหันต์นั้นไม่มีทิฏฐิอันสัญญากำหนดไว้แม้นิดเดียวในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินหรือในอารมณ์ที่รับรู้ในโลกนี้อธิบายว่าพระอรหันตขีนาศบนั้นไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้ซึ่งทิฏฐิอันสัญญาให้เกิดให้เกิดขึ้นกำหนดกำหนดไว้ปรุงแต่งปรุงแต่งขึ้นตั้งไว้ดีแล้ว เพราะมีสัญญาเป็นหัวหน้ามีสัญญากำหนดไว้และเพราะการแยกสัญญาในรูปที่เห็นหรือในความหมดจดเพราะรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินหรือในความหมดจดเพราะเสียงที่ได้ยินในอารมณ์ที่รับรู้หรือในความหมดจดเพราะอารมณ์ที่รับรู้คือทิฏฐินั้นพระอรหันต์ละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทาให้เกิดขึ้นไม่ได้อีก เผาด้วยไฟเคยยานแล้วรวมความว่าพระอรหันต์นั้นไม่มีทิฏฐิอันสัญญากำหนดไว้แม้นิดเดียวในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินหรือในอารมณ์ที่รับรู้ในโลกนี้คำว่าพรามในคำว่าพระอรหันต์นั้นผู้เป็นพรามไม่ยึดถือทิฏฐิอยู่อธิบายว่าที่ชื่อว่าพรามเพราะลอยทาเจตประการได้แล้วคือหนึ่ง ลอยจักระยะทิฐิได้แล้วไม่มีตันหาและทิฐิอาศัยเป็นผู้มั่นคงบัณฑิตเรียอผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์คำว่าพระอรหันนั้นผู้เป็นพราหมณ ah ah ์ไม่ยึดถือทิฐิอยู่อธิบายว่าพระอรหันนั้นผู้เป็นพราหมณ์ไม่ยึดถือคือไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นทิฐิอยู่รวมความว่าพระอรหันนั้นผู้เป็นพราหมณ์ไม่ยึดถือทิฐิอยู่ คำว่าใ sí. ครๆในโลกนี okay. ้จะพึงกำหนดด้วยเหตุอะไรเล่าอธิบายว่าคําว่าการกำหนดได้แก่การกำหนดสองอย่างคือหนึ่งการกาหนดด้วยอานาจตันหาสองการกำหนดด้วยอำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าการกำหนดด้วยอำนาจตันหาน้ชื่อว่าการกำหนดด้วยอำนาจทิฏฐิพระอรหันนั้นละการกำหนดด้วยอำนาจตันหาได้แล้ว สลัดทิ้งการกำหนดด้วยอำนาจทิฐิได้แล้วเพราะเป็นผู้ละการกำหนดด้วยอำนาจตันหาสลัดทิ้งการกำหนดด้วยอำนาจทิฐิได้แล้วใครๆจะพึงกำหนดพระอระหันต์นั้นด้วยราคะโทสะโมหะมานะทิฐิอุทัจกิจวิจิกิจฉาอนุสัยอะไรเล่าว่าเป็นผู้กำหนัดเป็นผู้ขัดเคืองเป็นผู้หลงเป็นผู้ยึดติดเป็นผู้ยึดมั่น เป็นผู้ฟุ้งซ่านเป็นผู้ลังเลหรือเป็นผู้ตกอยู่ในพลังกิเลสพระอรหันต์และอภิสังขารเหล่านั้นได้แล้วเพราะเป็นผู้ละอภิสังขารได้แล้วใครๆจะพึงกาหนดคติด้วยเหตุอะไรเล่าว่าเป็นผู้เกิดในนรกเป็นผู้เกิดในกาเนิดเดรฉานเป็นผู้เกิดในเปตตวิสัยเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นผู้มีรูปเป็นผู้ไม่มีรูป เป็นผู้มีสัญญาเป็นผู้ไม่มีสัญญาหรือว่าเป็นผู้มีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ใครๆจะพึงกำหนดคือกำหนดรู้ถึงการกำหนดรู้ด้วยเหตุปัจจัยและการใดเหตุปัจจัยและการนั้นไม่มีคำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลก รวมความว่าใครๆในโลกนี้จะพึงกําหนดด้วยเหตุอะไรเล่าด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระอรหันต์นั้นไม่มีทิฏฐิอันสัญญากำหนดไว้แม่นิดเดียวในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินหรือในอารมณ์ที่รับรู้ในโลกนี้ใครๆในโลกนี้จะพึงกําหนดพระอรหันต์นั้นผู้เป็นพราหมณ์ไม่ยึดถือทิฏฐิอยู่ด้วยเหตุอะไรเล่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระอรหันตขีนาศทั้งหลายย่อมไม่กําหนดไม่เชื่อชูแม้ทำทั้งหลายพระอรหันเหล่านั้นก็ไม่ปรารถนาแล้วพระอรหันผู้เป็นพราหมณ์นั้นใครๆจึงนําไปด้วยศีลวัดไม่ได้เป็นผู้ถึงฝั่งแล้วไม่กลับมาเป็นผู้มั่นคงว่าด้วยการกําหนดสอง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 กำหนดถือเอายึดถือว่าเป็นของเราด้วยส่วนแห่งตันหามีประมาณเท่าใดย่อมยึดถือว่าเป็นของเราซึ่งวัตถุมีประมาณเท่านั้นว่านี้ของเรานั่นของเราเท่านี้ของเราของเรามีประมาณเท่านี้รูปเสียงกลิ่นรสโหดถะพะเครื่องปูร่าตเครื่องนุ่งห่มท่าชายหญิงแพะแกะไก่สุกรช้างโค มา้าลาที่นาที่สวนเงินทองหมู่บ้านนิคมราชธานีแคว้นชนบทวองพลรบคลังหลวงแม้มหาปฏิพภภีทั้งสิ้นย่อมจะถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตันหาซึ่งจำแนกได้ร้อยแปดนี้ชื่อว่าการกำหนดด้วยอำนาจตันหาการกำหนดด้วยอำนาจทิชิเป็นอย่างไร คือสักยะทิฐิมีวัตถุยี่สิบมิจฉาทิฐิมีวัตถุสิบอันตคายิกะทิฐิมีวัตถุสิบทิฐิการตกอยู่ในทิฐิความรกชัดคือทิฐิความกันดานคือทิฐิเสี่ยนน้ำคือทิฐิความดิ้นรนคือทิฐิเครื่องผูกพันคือทิฐิความถือความถือมั่นความยึดมั่นความยึดมั่นถือมั่นทางชั่วทางผิด ภาวะที่ผิดละทิเดระีความถือขัดแย้งความถือวิปริกความถือวิปลาดความถือผิดความถือในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงว่าเป็นจริงเห็นปานนี้จนถึงทิฏฐิ62นี้ชื่อว่าการกำหนดด้วยอานาจทิฏฐิพระอรหันตเหล่านั้นละการกาหนดด้วยตัณหาได้แล้วสลัดทิ้งการกำหนดด้วยอานาจทิฏฐิได้แล้ว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 การเชื ience, ่อชูสองอย่างคือหนึ่งการเชื่อชูด้วยอำนาจตัญหาสองการเชื่อชูด้วยอำนาจทิฐินี้ชื่อว่าการเชื่อชูด้วยอำนาจตัญหานี้ชื่อว่าการเชื่อชูด้วยอำนาจทิฐิพระอรหันตเหล่านั้นละการเชื่อชูด้วยอำนาจตัญหาได้แล้วสลัดทิ้งการเชื่อชูด้วยอำนาจทิฐิได้แล้วเพราะเป็นผู้ละการเชื่อชูด้วยอำนาจตัญหา จหลั่เทียงการเชื่อชูด้วยอำนาทิฏฐิได้แล้วพระอรหันต์ก็ไม่เที่ยวเชื่อชูตันหาหรือทิฏฐิไว้คือไม่มีตันหาเป็นธงชัยไม่มีตันหาเป็นยอดธงไม่มีตันหาเป็นใหญ่ไม่มีทิฏฐิเป็นธงชยัยไม่มีทิฏฐิเป็นยอดธงไม่มีทิฏฐิเป็นใหญ่คือไม่ได้ถูกตันหาหรือทิฏฐิครอบงำเที่ยวไปอยู่รวมความว่าย่อมไม่กําหนดไม่เชื่อชู คำว่าแม้ทำทั้งหลายพระอรหันตเหล่านั้นก็ไม่ปรารถนาแล้วอธิบายว่าทิฏฐิหกสิบสองตรัสเรียกว่าทำคำว่าเหล่านั้นได้แก่พระอรหันตขีนาศเหล่านั้นคำว่าไม่ปรารถนาแล้วอธิบายว่าไม่ปรารถนาแล้วว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเป็นโมคะไม่ปรารถนาแล้วว่าโลกไม่เที่ยง หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงยังอื่นเป็นโมฆะรวมความว่าแม้ทำทั้งหลายพระอรหันตขีนาศพเหล่านั้นก็ไม่ปรารถนาแล้วคำว่าไม่ในคำว่าพระอรหันตผู้เป็นพรามใครๆจึงนําไปด้วยสิลวัตไม่ได้เป็นคำปฏิเสธ คำว่าผู้เป็นพราหมณ์อธิบายว่าที่ชื่อว่าพราหมณ์เพราะลอยทำเจตประการได้แล้วคือหนึ่งลอยสักยัิทิฐิได้แล้วไม่มีตัณหาและทิฐิอาศัยเป็นผู้มั่นคงบัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์คำว่าผู้เป็นพราหมณ์ใครๆก็นำไปด้วยศีลวัตไม่ได้อธิบายว่าผู้เป็นพราหมณ์ย่อมไม่ดำเนินไป ไม่ออกไปไม่ถูกพาไปไม่ถูกนำไปด้วยศีลวัดหรือศีละวัดรวมความว่าผู้เป็นพรามใครๆจึงนำไปด้วยศีละวัดไม่ได้คําว่าเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วไม่กลับมาเป็นผู้มั่นคงอธิบายว่าอมาตะนิพพานตรัสเรียกว่าฝั่งคือธรรมเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดทิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตันหา เป็นที่คลายกำนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทพระอรหันต์นั้นถึงฝั่งบรรลุฝั่งถึงส่วนสุดบรรลุส่วนสุดถึงปลายสุดบรรลุปลายสุดพระอรหันต์นั้นไม่มีการเวียนเกิดเวียนตายและพกใหม่ก็ไม่มีอีกรวมความว่าเป็นผู้ถึงฝั่งแล้วคําว่าไม่กลับมาอธิบายว่า กิเลสเหล่าใดอริยบุคคลละได้แล้วด้วยโซดาปฏิมักอริยบุคคลก็ไม่มาเมื่อกลับมาเพือไม่หวนกลับมาสู่กิเลสเหล่านั้นอีกกิเลสเหล่าใดอริยบุคคลละได้แล้วด้วยสกทาคามิมักอริยบุคคลก็ไม่มาไม่กลับมาเพือไม่หวนกลับมาสู่กิเลสเหล่านั้นอีกกิเลสเหล่าใดอริยบุคคลละได้แล้วด้วยอนาคามิมัก อร me, me, made, ิยบ so <uds> ุคคลก็ไม่มาเมื่อกลับมาคือไม่หวนกลับมาสู่กิเลสเหล่านั้นอีกกิเลสเหล่าใดอริยบุคคลละได้แล้วด้วยอรหัตมรักอริยบุคคลก็ไม่มาก็ไม่กลับมาคือไม่หวนกลับมาสู่กิเลสเหล่านั้นอีกรวมความว่าเป็นผู้ถึงฝั่งไม่กลับมาว่าด้วยพระอรหันต์ชื่อว่าเป็นผู้มั่นคง คำว่าเป็นผู้มั่นค ง, นนคงอธิบายว่าพระอรหันต์เป็นผู้มั่นคงด้วยอาการห้าอย่างคือหนึ่ง nee hmm. เป็นผู้มั่นคงในอิทธารมและอนิธารมสองเป็นผู้มั่นคงเพราะเป็นผู้สละแล้วสเป็นผู้มั่นคงเพราะเป็นผู้ข้ามได้แล้วสเป็นผู้มั่นคงเพราะเป็นผู้พ้นแล้วหเป็นผู้มั่นคงเพราะแสดงออกซึ่งธรรมนั้นๆ พระอรหันต์เป็นผู้มั่นคงในอิทธารมและอนิธารมเป็นอย่างไรคือพระอรหันต์เป็นผู้มั่นคงทั้งในลาบและในความเสื่อมลาบเป็นผู้มั่นคงทั้งในยศและในความเสื่อมยศเป็นผู้มั่นคงทั้งในสรรเสริญและนินทาเป็นผู้มั่นคงทั้งในสุขและทุกข์คนบางพวกเอาของหอมฉลมแขนข้างหนึ่งอีกพวกหนึ่งใช้มีดถาแขนอีกข้างหนึ่ง พระอรหันต์ก็ไม่มีความยินดีในการโฉลมด้วยของหอมโน้นไม่มีความยินร้ายในการถากแขนโน้นพระอรหันต์ะนละความยินดีและความยินร้ายได้แล้วล่วงพ้นความดีใจและความเสียใจได้แล้วก้าล่วงความยินดีและความยินร้ายได้แล้วพระอรหันต์ชื่อว่าเป็นผู้มั่นคงในอิทธารมและนิถารณมเป็นอย่างนี้ พระอาหารหันต์เป็นผู้มั่นคงเพราะเป็นผู้สละแล้วเป็นอย่างไรคือพระอาหารหันต์สละคลายปล่อยละสลัดทิง้งราคะโทสะโมหะโปทะอุปนาห ะ, ม, ะ, าะามักคะวลาสะอิจามัจฉริยะมายาสาเถยะธรรมภะสารัมภะมานะอติมานะมทะประมาทะกิเลทุกชนิด ทุจริตทุกทางความกกลวนกกลวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการพระอรหันตละคลายปล่อยละสลัดทิ้งอกุศลาพิสังขารทุกประเภทได้แล้วพระอรหันชื่อว่าเป็นผู้มั่นคงเพราะเป็นผู้สละแล้วเป็นอย่างนี้พระอรหันเป็นผู้มั่นคงเพราะเป็นผู้ข้ามได้แล้วเป็นอย่างไร คือพระอาหารหันต์ข้ามข้ามขึ้นข้ามพ้นก้าวล่วงก้าวพ้นล่วงพ้นกามโมคะพระโวคะทิโถโคะอวิโชคะทางแห่งสงสารทั้งปวงได้แล้วพระอาหารหันต์นั้นอยู่ในอริวาสธรรมแล้วประพฤติจรณะธรรมแล้วพระอาหารหันต์นั้นไม่มีการเวียนเกิดเวียนตายและพบใหม่ก็ไม่มีอีกพระอาหารหันต์ชื่อว่าเป็นผู้มั่นคง เพราะเป็นผู้ข้ามได้แล้วเป็นอย่างนี้พระอรหันต์เป็นผู้มั่นคงเพราะเป็นผู้พ้นแล้วเป็นอย่างไรคือพระอรหันต์มีจิตพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นดีแล้วจากราคะโทสะโมหะโกทะอุปนาหะมักขะปลาสะอิสามัจฉริยะมายาสาถยะถัมพะสารัมภะมานะอติมานะมทะัท ประมาทะกิเลตุกชนิดทุจริตทุกทางความกระวนกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประเภทพระอรหันต์มีจิตพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นดีแล้วจากอากุศลาพิสังขารทุกประเภทพระอรหันต์ชื่อว่าเป็นผู้มั่นคงเพราะเป็นผู้พ้นแล้วเป็นอย่างนี้พระอรหันต์เป็นผู้มั่นคงเพราะแสดงออกซึ่งธรรมนั้นเป็นอย่างไร คือเมื่อศีลมีอยู่พระอรหันต์ชื่อว่าเป็นผู้มั่นคงเพราะแสดงออกว่าเป็นผู้มีศีลเมื่อศรัทธามีอยู่พระอรหันต์ชื่อว่าเป็นผู้มั่นคงเพราะแสดงออกว่าเป็นผู้มีศรัทธาเมื่อความเพียรมีอยู่พระอรหันต์ชื่อว่าเป็นผู้มั่นคงเพราะแสดงออกว่าเป็นผู้มีความเพียรเมื่อสติมีอยู่พระอรหันต์ชื่อว่าเป็นผู้มั่นคง เพราะแสดงออกว่าเป็นผู้มีสติเมื่อสมาธิมีอยู่พระอรหันต์ชื่อว่าเป็นผู้มั่นคงเพราะแสดงออกว่าเป็นผู้ตั้งมั่นเมื่อปัญญามีอยู่พระอรหันต์ชื่อว่าเป็นผู้มั่นคงเพราะแสดงออกว่าเป็นผู้มีปัญญาเมื่อวิชามีอยู่พระอรหันต์ชื่อว่าเป็นผู้มั่นคงเพราะแสดงออกว่าเป็นผู้มีวิชาสามเมื่อภิญญามีอยู่ พระอาหารหันต์ชื่อว่าเป็นผู้มั่นคงเพราะแสดงออกว่าเป็นผู้มีอภิญญาหกพระอาหารหันต์ชื่อว่าเป็นผู้มั่นคงเพราะแสดงออกซึ่งธรรมนั้นๆเป็นอย่างนี้รวมความว่าเป็นผู้ถึงฝั่งไม่กลับมาเป็นผู้มั่นคงด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระอาหารหันต์ขีณาศพทั้งหลายย่อมไม่กําหนดไม่เชื่อชู แม้ทำทั้งหลายพระอรหันตเหล่านั้นก็ไม่ปรารถนาแล้วพระอรหันตผู้เป็นพรามนั้นใครๆจึงนำไปด้วยศีลวัดไม่ได้เป็นผู้ถึงฝั่งแล้วไม่กลับมาเป็นผู้มั่นคงปรมัตถะสุตตานิเทศที่ห้าจบ ชราสุตตนิเทศอธิบายชราสูตรว่าด้วยชราพระสารีบุตรเทระจะกล่าวอธิบายชราสูตรดังต่อไปนี้ส9พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชีวิตนี้น้อยนักมนุษย์ย่อมตายภายในร้อยปีแม้หาผู้ใดจะมีชีวิตอยู่เกินไปกว่านั้นผู้นั้นก็จะตายเพราะชราแน่แท้ว่าด้วย ชีวิตเป็นของน้อยด้วยเหตุสองประการคำว่าชีวิตในคาว่าชีวิตนี้น้อยนักอธิบายว่าอายุความดำรงอยู่ความดำเนินไปความให้มีชีวิตดำเนินไปความเคลื่อนไหวความเป็นไปความรักษาความเป็นอยู่ชีวิตดินสีอันหนึ่งชีวิตเป็นของน้อยด้วยเหตุสองประการคือหนึ่งชีวิตเป็นของน้อย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 จัดโลกชื่อว่าตายแล้วนี้เป็นปรมัถบัญญัติเพราะมีอายตนะหกเป็นปัจจัยขันทั้งหลายที่แปรไปตามฉันทะย่อมเป็นไปไม่ขาดสายเหมือนน้ำไหลไปตามที่ลุ่มเชนั้นขันทั้งหลายถึงการทรงตัวอยู่ไม่ได้แตกไปแล้วกองขันในอนาคตก็ไม่มีส่วนขันที่เกิดแล้วในปัจจุบันก็ดารงอยู่เหมือนเมล็ดผักกาดบนปลายเหล็กแหลมฉะนั้น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 เพระเทียบชีวิตของเทวดาชั้นเดวเดึงเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นนิมมานรดีเทวดาชั้นปริมมิตวสสวตีเพระเทียบเพียงกับชีวิตของเทวดาชั้นพรหมกายุกาผู้นับเนื่องอยู่ในหมู่พรหมชีวิตของมนุษย์จึงน้อยคือเล็กน้อยนิดหน่อยชั่วขณะเร็วพลันประเดี๋ยวเดียวตั้งอยู่ไม่นานดำรงอยู่ไม่นาน สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์น้อยจำต้องไปสู่ปรโลกต้องประสบกับความตายที่เข้าใจฟันอยู่ควรทาปุสลพระเพื่อพรหมจรรย์ผู้ที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีชีวิตยืนนานผู้นั้นก็อยู่ได้เพียงร้อยปีหรืออยู่ได้เัวนกว่านั้นก็มีน้อย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 เหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยจะแห้งไปฉะนั้นรวมความว่าชีวิตนี้น้อยนักคำว่ามนุษย์ย่อมตายภายในร้อยปีอธิบายว่ามนุษย์ย่อมเคลื่อนตายสูญหายสลายไปในขณะที่เป็นกระละน้ำใสบ้างในขณะที่เป็นอพุทธะน้ำล้างเนื้อบ้างในขณะที่เป็นเปสิชิ้นเนื้อบ้างในขณะที่เป็นคณะ ก้อนเนื้อบ้างในขณะที่เป็นปัญจสาขาห้าปุ่มคือมือสองเท้าสองสีสะหนึ่งบ้างขณะคลอดย่อมเคลื่อนตายสูญหายสลายไปบ้างย่อมเคลื่อนตายสูญหายสลายไปในเรื อ, อนคลอดบ้างมีอายุเพียงครึ่งเดือนย่อมเคลื่อนตายสูญหายสลายไปบ้างมีอายุหนึ่งเดือนมีอายุสองเดือนมีอายุสามเดือนมีอายุสี่เดือน มีอายุห้าเดือนมีอายุหกเดือนมีอายุเจ็ดเดือนมีอายุแปดเดือนมีอายุเก้าเดือนมีอายุสิบเดือนมีอายุหนึ่งปีมีอายุสองปีมีอายุสามปีมีอายุสี่ปีมีอายุห้าปีมีอายุหกปีมีอายุเจ็ดปีมีอายุแปดปีมีอายุเก้าปีมีอายุสิบปีมีอายุยี่สิบปี มีอายุสามสิบปีมีอายุสี่สิบปีมีอายุห้าสิบปีมีอายุหกสิบปีมีอายุเจ็ดสิบปีมีอายุแปดสิบปีมีอายุเก้าสิบปีย่อมเคลื่อนตายสูญหายสลายไปบ้างรวมความว่ามนุษย์ย่อมตายภายในร้อยปีคำว่าแม้หาผู้ใดจะมีชีวิตอยู่เกินไปกว่านั้นอธิบายว่า ผู้ใดอยู่ได้เกินร้อยปีผู้นั้นก็อยู่ได้อีกหนึ่งปีบ้างสองปีบ้างสามปีบ้างสี่ปีบ้างห้าปีบ้างยี่สิบปีบ้างสามสิบปีบ้างผู้นั้นก็อยู่ได้อีกสี่สิบปีบ้างรวมความว่าแม้หาผู้ใดจะมีชีวิตอยู่เกินไปกว่านั้นคําว่าผู้นั้นก็จะตายเพราะชราแน่แท้อธิบายว่า เมื่อผู้ใดชราคือสูงอายุเป็นผู้เฒ่าล่วงการมามากผ่านวัยมามากมีฟันหักผมหงอกผมบางศีรษะล้านหนังย่นตัวตกกระหลังโกงหลังค่อมถือไม้เท้ายันกายผู้นั้นก็ย่อมเคลื่อนตายสูญหายสลายไปเพราะชราไม่มีความหลุดพ้นจากความตายไปได้ สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วมีภัยจากความตายเป็นนิดเหมือนผลไม้สุกแล้วมีภัยจากการหล่นไปในเวลาเช้าฉะนั้นภาชนะดินที่ช่างหม้อทำไว้ทั้งหมดมีความแตกเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นมนุษย์ทั้งเด็กผู้ใหญ่โง่และฉลาดทั้งหมดย่อมไปสู่อำนาจของความตาย มีความตายรออยู่ข้างหน้าเมื่อมนุษย์เหล่านั้นผู้ถูกความตายครอบงำอยู่กำลังจะไปจากโลกนี้สู่ปรโลกบิดาก็ปกป้องบุตรไม่ได้หรือหมู่ญาติก็ปกป้องหมู่ญาติไม่ได้เมื่อพวกญาตกิกำลังเพ่งมองดูอยู่รำพันกันเป็นอันมากอยู่นั่นแหละว่าจงดูสัตว์แต่ละตนแต่ละตนถูกความตายนำไปเหมือนโคถูกนำไปฆ่าเช่นนั้น สัตว์โลกถูกความแก่และความตายครอบงำอยู่อย่างนี้รวมความว่าผู้นั้นก็จะตายเพราะชาราแน่แท้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าชีวิตนี้น้อยนักมนุษย์ย่อมตายภายในร้อยปีแม้หากผู้ใดจะมีชีวิตอยู่เกินไปกว่านั้นผู้นั้นก็จะตายเพราะชาราแน่แท้